ศีลในความหมายที่เป็นหลักกลางอันพึงถือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานจากความหมายหลักตามปุตโพธิตรัสจำกัดความอันเป็นประดุจแกนกลางของการฝึกอบรมขั้นศิลธรรมที่เรียกว่าอธิศีลสิกานี้ก็กระจายออกไปเป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างๆในส่วนรายละเอียด หรือประยุกต์อย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งแก่บุคคลและสังคมเริ่มตั้งแต่หลักความประพฤติที่ตรงกับในองค์มครรคนี้ซึ่งเรียกว่ากรรมบทและหลักความประพฤติพื้นฐานที่สุดที่เรียกว่าเบญจศีลเป็นต้นอย่างไรก็ดีคำสอนในรูปประยุกย่อมกระจายออกไปเป็นรายละเอียดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้เหมาะกับบุคคลกาละเทศะ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆในการสอนครั้งนั้นๆในที่นี้มิใช่โอกาสที่มุ่งเพื่ออธิบายคำสอนเหล่านั้นจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะรวบรวมรายละเอียดมาแสดงเนื่องด้วยพุทธธรรมเป็นคำสอนที่มีระบบแน่นอนอยู่แล้วการแสดงแต่เพียงหลักศูนย์กลางให้เกิดความเข้าใจแบบรวบยอดก็เป็นการเพียงพอส่วนคำสอนในรูปประยุกต่างๆก็ปล่อยให้เป็นสิ่งสำหรับผู้ต้องการข้อธรรมที่เหมาะกับอัตยาศัย ระดับการครองชีพและความประสงค์ของตนจะพึงแสวงต่อไปเมื่อกล่าวโดยสรุปสำหรับคำสอนในรูปประกตคถ้าไม่ใช่ประกย์ในส่วนรายละเอียดให้เหมาะกับบุคคลการเวลาสถานที่และโอกาสเฉพาะกรณีแล้วหลักใหญ่สำหรับการประยุกต์ก็คือสภาพความเป็นอยู่หรือระดับการครองชีวิตโดยในยะนี้จึงมีศีลมีข้อปฏิบัติระบบความประพฤติต่าง ที่แยกกันออกไปเป็นศีลสำหรับกฤรเรือหัและศีลสำหรับบรรพชิตเป็นต้นผู้ฝึกศึกษาพัฒนาในศีลจะต้องเข้าใจหลักการสาระสำคัญและที่สำคัญยิ่งคือวัตถุประสงค์ของศีลเหล่านั้นทั้งในส่วนรายละเอียดที่ต่างกันและส่วนรวมสูงสุดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะชื่อว่ามีความเข้าใจถูกต้องไม่งมงายปฏิบัติธรรมไม่ผิดพลาด และได้ผลจริงในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการกระจายความหมายขององค์มรรคในขั้นศีลเหล่านี้ออกไปเป็นหลักความประพฤติ ท, ที่บังเกิดผลในทางปฏิบัติหลักความประพฤติ ท, ที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้เป็นหลักที่กระจายความหมายออกไปโดยตรงมีหัวข้อตรงกับในองค์มรรคทุกข้อเป็นแต่เรียงลําดับฝ่ายกายกรรมก่อนฝ่ายวจีกรรมซึ่งฝ่ายกายกรรมตรงกับสัมมากัมมันตะและฝ่ายวจีกรรมก็ตรงกับ สัมมาวาจาและเรียกชื่อว่ากุศลกรรมบทบ้างสุจริตบ้างความสะอาดทางกายวาจาและใจบ้างสมบัติแห่งกรรมันตาบ้างมีเรื่องตัวอย่างดังนี้ในจุนทสูตรอังคุตรนิกายทศกัณนิบาตเมื่อพระพุทธเจ้าประทับณเมืองป่าวาในป่ามะม่วงของนายจุนทะกรรมมารบนายจุนทะมาเฝ้าได้สนทนาเรื่องโสจยกรรม คือพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์นายจุนทะทูลว่าเขานับถือบัญญัติพิธีชำระตัวตามแบบของพราหมณ์ชาวปัตชาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาร่ายบูชาไฟถือปฏิบัติการลงน้ำบัญญัติของพราหมณ์พวกนี้มีว่าแต่เช้าตรู่ทุกวันเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องเอามือรูปแผ่นดินถ้าไม่ลูปแผ่นดินก็ต้องรูปมูลโคสด หรือรูปหญ้าเขียวหรือบำเรอไฟหรือยกมือไหว้พระอาทิตย์หรือมิจฉาเ้นก็ต้องลงน้ำให้ครบสางครั้งในตอนเย็นอย่างใดอย่างหนึง่งเพิ่งสังเกตว่าการถือศีลัพะตะปรามาดอย่างเหนียวแน่นแบบนี้มีแพร่หลายในอินเดียแต่โบราณก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยการล้มล้างความเชื่อถือเหล่านี้เป็นจุดมุ่งที่เด่นชัดที่สุดอย่างหนึง่ง ในการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับการหักล้างเรื่องวรรณะและการดึงคนจากปัญหาทางอภิปรัญากลับมาหาปัญหาชีวิตจริงการถือศีลรัตประมารเหล่านี้กลับรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมกับการเสื่อมลงของพระพุทธศาสนาและเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของความเสื่อมนั้นด้วยน่าจะกล่าวได้ว่าการถือศีลพัตปรามารจเจริญขึ้นเมื่อใดในที่ใด ความเสื่อมแห่งตัวแท้ของพระพุทธศาสนาก็ปรากฏขึ้นเมื่อ น, นั้นณนะที่นั้นและน่าจะกล่าวได้ด้วยว่าการถือติดแน่นในศีลพระาปรามารเป็นสาเหตุสำคัญให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เรียกว่าการปฏิวัติทางสังคมเมื่อนายจุนทะกราบทูลเรื่องโสจยกรรมหรือพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่า บัญยัติเรื่องการชำระตัวให้สะอาดของพวกพรามนี้เป็นอย่างหนึ่งส่วนการชำระตัวให้สะอาดในอารยาวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งหาเหมือนกันไหมแล้วตรัสว่าคนที่ประกอบอกุศลกรรมบทสิบอันได้แก่ปานาติบาตอธินาทานเป็นต้นที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมบทสิบชื่อว่ามีความไม่สะอาดทั้งทางกายทางวาจาทางใจคนเช่นนี้ ลุกขึ้นเช้าจะลูบแผ่นดินหรือไม่ลูบจะลูบโคมไมหรือไม่ลูบจะบูชาไฟจะไหว้พระอาทิตย์หรือไม่ทำก็ไม่สะอาดอยู่นั่นเองเพราะอากุศลกรรมบทเป็นสิ่งทั้งไม่สะอาดเป็นทั้งตัวการทำให้ไม่สะอาดแล้วตรัสกุศลกรรมบทสิบที่เป็นโสเจยะคือเครื่องจำระตัวให้สะอาดดังต่อไปนี้ก่อโสเจยะ ทางกายสามได้แก่การที่บุคคลบางคน 1. ละปาณาติบาตเว้นขาดจากการตัดรอนชีวิตวางทันทะวางสัตรามีความละอายใจกรอบด้วยเมตตาใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่วงสัตว์วโลก 2. ละอธินนาทานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งที่เขามิได้ให้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 เช่นกฎหมายคุ้มครองหญิงมีสามีหญิงห่วงห้ามโดยที่สุดแม้หญิงที่มั่นแล้วก็ข อ, ขอโสจยะตงวาจาสได้แก่การที่บุคคลบางคนหนึ่งละมุสาวาดเว้นขาดจากการพูดเท็จเมื่ออยู่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ท่ามกลางชุมชนก็ดี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 พอใจในความสามาคัคคีชอบกล่าวถ้อยคำที่ทำให้คนสามัคคีกัน 3. ละปรุสวาจาว้นขาดจากวาจาหยาบกล่าวแต่ถ้อยคำชนิดที่ไม่มีโทษรื่นหูน่ารักจับใจสุภาพเป็นที่พอใจของผูหูชนเป็นที่ชื่นชมของผูหูชน 4. ละสัมผัส ป, ปลาปะเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อ พูดถูกการพูดคำจริงพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดเป็นวิไนยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกำหนดขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรขอ้ขอคอโสใจยะทางใจสามได้แก่อนัพพิ ช, ชาไม่คิดจ้องเอาของคนอื่นอัพยาบาทไม่คิดร้ายใคร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 ที่ว่าความหมายซึ่งขยายออกไปในรูปประยกต์อาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อกล่าวถึงบัะชิตคือบุคคลผู้ออกบวทแล้วนอกจากสีลบางข้อจะเปลี่ยนไปและมีสีลเพิ่มใหม่อีกแล้วแม้สีลข้อที่คงเดิมบางข้อก็มีความหมายส่วนที่ขยายออกไปต่างจากเดิมขอให้สังเกตข้อเว้นอธินนาธานและเว้นมุสาวาท ในพรหมชารสูตรที่การทีกายศีลขันธวัชต่อไปนี้เทียบกับความหมายในกุศลกรรมบทข้างต้นในพรหมชารสูตรนั้นมีพุทธพ์ว่าละอาทินาทา น, ท น, าานเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้มีตนไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ละมุสาวาตกล่าวแต่คาสัตย์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 ก็ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกได้เรื่อยไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเท่าที่ขยายเป็นตัวอย่างในองค์มรรคเหล่านี้เท่านั้นตัวอย่างเช่นข้อเว้นอทินาทานในที่นี้ยังไม่ได้ขยายความในภาคบําเพ็ญดีออกมาเป็นการปฏิบัติแต่ได้มีคำสอนเรื่องทานเป็นหลักธรรมใหญ่ที่ย้ำเน้นเด่นชัดที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏอยู่แล้วดังมีเป็นต้น